ลุกทุกท่าอย่าทำความเคยชินกับเพศในการบวชของตนมาบวชก่อนบวชหลังและสถานที่ที่อยู่ขราชครูบาอาจารย์ เพื่อนฝูงก็จะไปกระกทั่งถึงปัจจัยสี่อีวอนบินธาบาตเชือนาสนะทิ้ามาเพสัตสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเครื่องแก้กิเลสความเคยชินเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดความเคยกินเป็นเหตุให้นอนจันทร์หรือ พื้นเพแห่งวิเลตก็คือความเคยชินนั่นแหละเป็นสถานที่แสดงออกความเมื่อมีความเคยชินแล้วย่อมนอนใจความนอนใจก็คือการปล่อยตัวปล่อยแค่ติปล่อยปัญญาปล่อยความเพียรและด้อยลงไปโดยลำดับ ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดัดแปลงแต่งหรือหล่อหลอมมนุษย์ให้เป็นคนดีพระดีได้โดยลำดับ <c oughs> จนกระทั่งถึงขั้นดีเยี่ยมดังสาระของพวกเราพุทธังสังคังแทังขะาฉามนี้คือท่านผู้ดัดแปลงมาเป็นพติกําลังความสามารถ จนกระทั่งสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีทั้งมวลไม่ว่าหยาบกรางละเอียดได้หลุดลอยไปหมดรากฏแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์สุดส่วนดนลนี่คือองค์สณะของพวกเราทำเป็นเครื่องหล่อล้อมมนุษย์ให้เป็นคนดีได้เป็นลาดับดังที่กล่าวมาแม้เราจะไม่สามารถเป็นได้ดังพระพุทธเจา้าและสาวกท่าน แต่ก็ให้อยู่ในเกณฑ์ของลูกศิษย์ที่มีคือหรืออยู่ในขอบเขตแห่งพุทธบริษัทจะเป็นพิสุก็ดีเป็นสามเณรก็ดีเป็นบาศกคือผู้ชายก็ดีเป็นบาศิกาคือผู้หญิงก็ดีซึ่งอยู่ในขอบเขตแห่งความเป็นพุทธบริษัทด้วยกันไม่ควรจะปล่อยวาง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 รในขั้นพุทธการอยู่ด้วยความหวังพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเป็นจำนวนมากต่อมาโลกอยู่ด้วยความหวังความสุขความแก่ลงความมีหน้ามีตามียศถาบรราศัตด์มีบริษัทบริวารรับสินเงินถอเป็นเครื่องประดับแห่งความหวังนั้น หรือเป็นสิ่งเป็นจุดไมาแห่งความหวังโลกอยู่ด้วยความหวังมนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยความหวังนอกจากคนบ้าเท่านั้นจึงไม่มีความหวังอื่นใดนอกจากความเป็นบ้าของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นความหวังเหล่านี้จะสำเร็จไปด้วยวิธีการใดความหวังของพระย่อมสำเร็จไปด้วย ข้อปฏิบัติการรักระมัดระวังรักษาหรือการสรางรวมระวังระวังทั้งกายระวังทั้งวาจาที่จะแสดงออกทงความประพฤติและการพูดจาต่างๆว่าถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยหรือไม่จิตใจเป็นสิ่งสําคัญที่จะส่งมาทางกายวาจาให้เคลื่อนไหวได้ระมัดระวังอย่างไรหรือไม่ ด้วยความมีสติหรือความเผลอไปต่างๆตามนิสัยของคนที่ไม่เคยอกตกลมเมื่ออยู่ในความรมัดระวังโดยสม่ำเสมอทุกอิริยาบทไม่กำหนดว่าอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดในสังคมนอกสังคมอยู่กับหมู่เพื่อนหรืออยู่คนเดียว ยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่เว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาละมัดระวังตนอยู่เสมอนี่จะเป็นเครื่องสนองความหวังได้โดยลําดับจนถึงท่านอันสมบูรณ์ได้หากมีแต่ความหวังการดาเนินไม่มีการดําเนินก็คือความสั่รวมระหว่างความชำการชํำละ ซักฟอกหรือต่อสู้สิ่งที่เป็นฆาตศึกต่อธรรมคาว่าเป็นฆาตศึกต่อธรรมก็คือเป็นฆาตศึกต่อความสุขที่จะพึงได้พึงถึงหรือความสุขที่เคยมีมาแล้วให้เสียไปนั่นแหละเรียกว่าฆาตศึกและคําว่าฆาตศึกนี้ก็ไม่ใช่อื่นใดแสดงออกมานอกจากสิ่งที่เคยเป็นฆาตศึกของาศาสนธรรมได้แก่กิเลสสมานเท่านั้นคำว่า ม, มาน รังแกรหรือผู้ทําลายก็ไม่เกิดจากไหนเพราะสถานที่ที่เกิดที่อยู่ของมานั้นได้จะจิตเกิดขึ้นที่จิตอยู่ที่จิตรังความจิตทําลายจิตแลแสดงท่าต่างๆให้จิตต้องเคลื่อนไหวไ ป, ไปตามอํานาจของตน อ, อันเป็นไฟที่สิ่งนั้นต้องการ แต่ไม่ใช่ฝ่ายที่ทาต้องการเป็นสิ่งที่ขัดข้องต่อธรรมแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องต่อธรรมนั่นท่านเรียกว่ามารกิเลสมาณมีอยู่ภายในจิตนี้ไม่อยู่ในสถานที่อื่นเราอยากเข้าใจว่ากิเลสมาณนี้อยู่ในที่อื่นที่ใดนอกไปจากใจแห่งเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีที่อื่น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 ของธรรมของจิตเท่านั้นจะยกหรือยืนภาระหรือยกภาระทุ่มลงที่จิตหนักเบามากน้อยตามกำลังแห่งมานที่แสดงออกแต่ละครั้งละครั้งภาในจิตและทับถมลงไปภาในจิตให้แสดงผลขึ้นมาคือความเป็นทุกข์มากน้อยจึงรวมอยู่ที่จิตการต่อสู้กับ สิ่งที่เป็นมารต่อธรรมหรือต่อจิตใจเรานั้นจึงต้องได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เต็มท่านักบวชจำเป็นต้องได้สนับออกมาเพราะต้องการโอกาสอันเหมาะสมการงานจะเป็นไปได้วยความสะดวกไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับธาระที่โลกเคยเกี่ยวข้องกันอันเป็นเรื่องของกิเลสโดยชรง สละตัวออกมาสู่ความเป็นนักกวดสละทั้งบ้านทั้งเรือนญาติมิตรสหายพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกเต้าล้านเหลนยซึ่งโลกถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและถือกันอย่างยิ่งว่าไม่ควรพัดพรากจากกั น, แ ต, กนแต่ทางธรรมกลับตรงกันข้ามเพราะสิ่งที่โลกเห็นว่าไม่ควรอย่างยิ่งที่ต้องพัดพรากนั้น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 คำว่กรทุกก็เกิดทุกก็คือการฝืนกิเลส ต, ต้องเป็นทุกข์ในขณะที่เราไม่ฝืนเราเห็นด้วยกิเลสนั้นกิเลสก็สนุกเหยียบย่าทําลายให้เกิดความทุกข์ความลำบักดังพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงพนนโลกไม่เห็นมีใครว่าดีเลยไม่มีใครชมเรื่องของธรรมนั้นกิเลสไม่ชมเพราะกิเลสมีอยู่ทุกหัวใจคนอันเป็นประเภทเดียวกันด้วยจึงไม่ชมด้วยกันทั้งนั้น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 เข้าสู่แดนแห่งธรรมคือสงการสงพนุะตั้งแต่บัดนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้กับกิเลสสมานแม้ซึ่งแม้จะสละได้แล้วทางร่างกายแ ต, ต่จิตใจยังจำจะต้องห่วงใหญ่เป็นธรรมดาเพราะกิเลสไม่เคยบวช ไม่เคยตัดตัวเองฆ่าตัวเองให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้หัวเลาะยอกนอกจากจะเป็นการรักษาการสงวนตัวเองการรักษาตัวเองเท่านั้นด้วยเหตุนี้กิเลสเมื่อพระองค์เสด็จออกทรงผนวดกิเลสจึงไม่ยอมบวช ด, ด้วยกิเลสจึงทําให้เกิดความห่วงใหญ่ในสิ่งที่โลกทั้งหลายห่วงใหญ่ไม่รักชอบกันนี่แหละเป็นกองทุกข์อันหนึ่งขณะที่พระองค์ทรงผนวดต้องต่อสู้กับขิ่นเหล่านี้ อันเป็นมาในพระไถยถึงขั้นสลบสลายดังที่เราได้พบเห็นแล้วในตำหนับทำนาแต่พอย่างยิ่งพุทธตรัตะของพระองค์เองสิ่งใดที่โลกเห็นว่าดีทมต้องทวนกระแสและสิ่งใดที่ทำเห็นว่าดีโลกต้องทวนกระแสเห็นว่าไม่ดี สิ่งใดที่ควรทำของธรรมโลกเข็มว่าไม่ควรทำธรร ม, มโลกก็หมายถึงกิเลสซึ่งเดินสวนทางกับธรรมอยู่เสมอและเป็นข้าศึกต่อธรรมตลอดมาเองเป็นของยากขอนลำบากในการต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทไม่ว่าประเภทใดๆขึ้นชื่ว่ากิเลสแล้วจ้องเหนียวแน่นมั่นคงมากไม่มีใครจะฝ่าฝืนหรือตัดฟันให้ขาดแะมั่นไปได้อย่างง่ายได้เลย <c oughs> ถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสรูส้ขึ้นมาคือกิเลสมารหมดเรียบราาภายในพระทัยแล้วความประเสริฐของดวงจิตของธรรมซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกรมคืนเป็นอันเดียวกันนั้นจึงปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดและนำธรรมนั้นมาสั่งสอนโลกด้วยมาจนกระทั่งถึงทุวั น, นแล้วที่โลก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 โลกทั้งมวลที่มีการทัดทานต้านทา น, ทานพระองค์นั้นก็ไม่เห็นมีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้วิเศษพอที่จะมาเป็นศรรสาสตาสั่งสอนผลได้ทั้งสามโลกธาตุเหมือนพระพุทธเจ้าที่ว่าตัดช่องน้อยไปแต่ผู้เดียวหรือไปด้วยความเห็นแก่ตัวนั้นเลยกลาบกลืนข้ามแบบไม่มีผู้ใดจะทําได้เหมือนดังพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายเหต้ด้วย ไม่มีผู้ใดที่จะรู้แจ้งเห็นจริงดังพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายผลคือความเลิดประเสริฐภายในพระไทยครองทำมวิมุตตหลุดพ้นอย่างเด่นภายในพระไทยนั้นได้เหมือนพระพุทธเจ้าและไม่มีผู้ใดแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกได้มากมายกายของและเลื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เหมือนดังพระพุทธเจ้าได้ ทาเพียงคนเดียวเท่านั้นก็สามารถมีนะยกน้ำหนักได้มากยิ่งกว่าโลกโล้มถานทีนี้เมื่อย้อนมาถึงพวกเราแล้วพูดดีเป็นนักบวชสิ่งที่จะสนองความหวังได้ก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติสิ่งที่โรครักชอบ สงวนทำต้องตัดต้องทวนกระแสะฟื้นใจต่อสู้เพราะความนักนั้นเป็นกิเลสความชังเป็นกิเลสความห่วงใ ย, ยเป็นกิเลสความสงวนสิ่งต่างๆเป็นกิเลสทิ้งอันนี้เป็นกิเลสทั้งหมดเป็นภัยของธรรมซึ่งตนพึงหวังทั้งหมดแลงต้องในตัดสิ่งเหล่านี้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 เราต้องทุกข์มากในการต่อสู้กับมันและทุกข์ไปโดยลําดับผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์เพราะอํานาจแห่งความเพียรเป็นภาพเป็นผู้พาให้ทุกข์นั้นเป็นผลที่พึงหวังโดยลําดับคือตัดที่เลอะขาดไปได้โดยลําดับลําดาจิตไม่เคยสงบก็สงบได้ที่ท่านเรียกว่าสมาธิเป็นตัวจริงขึ้นมาพนานจิตใจ ไม่มีแต่ชื่อแต่นามที่ปรากฏในตำหนักําราจําได้คล่องปากคล่องใจแล้วก็มาท่องมาบ่นกันเฉยเโดยหาตัวจริงไม่ปรากฏแต่นี้รู้ทั้งชื่อด้วยเห็นทั้งตัวจริงก็จับใจด้วยเพราะอํานาจแห่งความพยายามความฝ่าฝืนการต่อสู้กับสิ่งที่ทําให้วุ่นวายทําให้สายแสบทาให้รุ่งเฟอืองเหอ่อเหิมจนสิ่งเหล่านั้นระงรับดับตัวลงไปกลายเป็นจิตที่สงบเย็นขึ้นมาภายในใจ นี่เป็นผลแต่ละขั้นละขั้นของผู้มีหน้าที่การงานอันเดียวคือนักบุตามที่ตนสละออกมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติที่จะให้ผลปรากฏดังศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นเราต้องปฏิบัติตามหลกักสาสนธรรมทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างฝ่ายเหตุคืออย่างไร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 เพราะผลนี้ได้ปรากฏเป็นสักขีพยานแล้วว่าเป็นผลเกิดขึ้นมาจากศาสนาธรรมที่ตนประพฤติปฏิบัติได้เมื่อเจดมีความสงบเย็นคนเราถ้าเป็นค้าการค้าขายก็เรียกว่าเริ่มมีทั้งตนทุนที่หยุดยืมเข้ามา ก็กลายเป็นกำไรขึ้นมาภายในตัวกำไรนั้นกลายเป็นต้นทุนหนุนกันไปโดยลาดับลำดั บ, ดบไม่มีแต่สมบัติที่กู้ยืมเข้ามาถ่ายเดียวด้วยหากำไรไม่ได้และยังขาดทุนผลปี้ไปทุกวันอย่างนั้นแต่ปรากฏเป็นกาไรขึ้นมาพอให้เป็นต้นทุนหมุนกันไปได้จิตมีความสงบเย็น ดูที่ไหนก็ปรากฏว่าเย็นมองดินฟ้าอากาศก็เย็นมองผู้คนหญิงชายก็เย็นดูสภาพวต่างๆรอบตัวนี้ก็เย็นเพราะรากฐานพาให้เย็นรากฐานได้ใ จ, ใจใจพาให้เย็นเมื่อใจร้อนแม้มองดูน้ำแข็งมันก็ร้อนในหัวใจนี้เย็นอยู่เฉพาะน้ำแข็งเท่านั้นตัวหัวใจนี้ร้อนดูอะไรๆร้อนไปหมดเพราะใจพาให้ร้อน เมื่อใจเย็นนะอยู่ที่ไหนเย็นหมดเย็นมากเย็นน้อยขึ้นอยู่กับพื้นฐานของใจที่มีชำระได้มากน้อยยิ่งชำระได้มากเพียงไหรใจยิ่งมีความระบบเย็นมากและละเอียดเข้าไปโดยลําดับมีผลแห่งการฝึกฝลอบรมทรมานตนเองด้วยอดด้วยทำซึ่งเป็นการต่อสู้กับกิเลสฌานที่อยู่ภายในใจ ในขณะเดียวกันงานอันนี้จึงเป็นงานที่หนักมากงานใดไม่เหมือนงานนี้งานโลกงานสงสารเราก็าพากันไดทํามาแล้วจะไม่หนักเหมือนงานนี้งานนี้หนักอยู่ที่ใจบางทีร่างกายก็หนักไปด้วยเช่นเดินจงกรมเป็นเวลานานๆเน็ดเหนื่อยเมืึนล้าเหมือนกับแข้งขาจะหลุดจะขาดไปก็มี แต่ก็ต้องทนเพราะสิ่งที่พาให้ทนมีอยู่ภายในจิตใจได้จากความบึกบืนความอุตสาห์พยายามเพราะความเชื่อมั่นในอัตในธรรมในผลที่ตนได้แล้วและในผลที่จะพึงได้าจากความเปลี่ยนนี้อยู่มีอยู่ภายในจิตใจจึงต้องสะเกียรติ ก, กายเปนกันไตทนก็พอทนอดพออดเพียนก็พอเพี้ยนถึงจะทุกข์ยากลําบากก็พอเพียนนั่นแหละตอนนี้ก่อนหน้าแล้วการต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจ พัดเบี่ยงกันอยู่ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียงก็หนักและหนักมากไม่ใช่เพียงขณะหมิ่นขณะเดียวแล้วผ่านกันไปหนักอยู่เรื่อยๆสู้อยู่เรื่อยๆถือกิเลสเป็นตัวสําคัญคือท่าสึกมีมากมีน้อยถ้าสึกมีมากแสดงออกมามากการต่อสู้ต้องหนักมือเมื่อกิเลสสงอบตัวลงไปการต่อสู้ก็ลดลงมากิเลสละเอียดลงไปโดยลําตับการต่อสู้ก็ละเอียดเติมตามกัน อุบายวิธีต่างๆที่จะต่อสู้กับวิเดก็เลยเอยีรดมำตามกันธรรมะอุบายได้แก่สติปัญญานี้ขาดไปไม่ได้ถ้าขาดนี้ก็ขาดงานเดินอยู่ยเฉยๆนั่งเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกับรัสษางานหรือทำงานอยู่นั่นแหลวไม่เรียกว่าความเกีย <c oughs> รตมีกิงต้องหนะักบางทีก็ต้องอดหลับอดนอน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 การอดอาหารเมื่อถูกกับจริตนิสัยแล้วตามธรรมนาร่างกายนี้เมื่อมีกําลังมากย่อมเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสนั่นแหละอย่าว่าส่งเสริมจิตเลยส่งเสริมกิเลสถ้ามีกําลังมากขึ้นราคะก็เริ่มมากขึ้นความง่วงเหงาห้องนอนความขี้เกียดขี้คร้างก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างมากประดำตามกันขึ้นชื่อว่ามารแล้วมากกระดำตามกันเมื่อ อดอาหารหรือผ่อนอาหารร่างกายกำลังมีกำลังลดน้อยลงไปจิตใจการบำเพ็ญความภาคเพียงย่อมมีความสะดวกยิ่งขึ้นโดยลำดับสติก็ตั้งได้ดีปัญญาก็คร่องตัวนั่งนานๆก็ไม่เมื่อยไม่ขบอย่างรวดเร็วเหมือนกับเรารับทานหรือฉันตามปกติให้เต็มท่าเต็มขันอี ม, มีมีผีหมัดนี่นะ เนี่เป็นอุบายอันหนึ่งต่หาไม่ใช่เป็นการแก้ที่เหลือโดยตรงในพระวินัยท่านก็กล่าวไว้บุพะสิกขานี่จะนำมาอธิบายทางเปยนย่อๆว่าผู้ที่อดอาหารเพื่อการโฆษณาบทเนื้ออวดตัวอวดภูมิของตนนั้นปราบพรรมะทุกข์ก่ทุกออริยาบทความเคลื่อนไหว ถ้อดเพื่อโอ้อเพื่ออวดโคตรศานาโลกเขาอันเป็นแบบโลกๆเชนั้นปราบอบัติทุกอาการที่เคลื่อนไหวแต่ถ้าอดเพื่อความภาคเพียนเพื่ออัดเพื่อทําแล้วอดเถิดเราจะถาคตอนุญาตน่ะมีในพระวินยัยอย่างนั้นแต่การทําแต่ละประเภทอุบายวิธีแต่ละอย่างมาอย่างนั้นขึ้นอยู่กับจดตนิสัยด้วยบางลายเดินนาน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 ก็ต้องหนักไปตามอุบายวิธีการนั้นเหมาะกับจริตของตนไม่ใช่จะทําแบบสุ่มแบบใาเห็นใครสักก็ทําได้ผลไม่ได้ผลก็ทําอย่างนั้นไม่ใช่นั่นเป็นความผิดจับหลับทำคือความฉลาดขาดความสังเกตเห็นเพื่อนฝูงทำก็ทำเพรียเฉยไม่เกิดประโยชน์เรียกว่าอัตติยมรรฐา น, นโยคทําความลําบากแต่ตนเปล่าๆก็ถูก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 ดังที่ท่านกล่าวไว้แล้วไหนถามว่าอวิชชาปัจยาสร้างข่าราเป็นต้นนี่แหละเชื้ออันสำคัญฝังจงอยู่ภายในจิตพาให้จิตตมูนไปตามพบน้อยพบใหญ่การที่จะไปในพบน้อยพบใหญ่สู ง, สงต่ำๆลุ่มๆุ่มอนนอนนั้นก็เป็นออกมาจากวิบาทซึ่งสืบเนื่องมาจากที่เหลยกพาให้ทำกรรมดีชั่วต่างๆเมื่อทำกรรมแล้วผลย่อมเป็นดีเป็นชั่วไปตาม กมนั้นการเกิดสภาพ ค, ความเป็นอยู่รูปร่รางกลางตัวของแต่ละภพบและชาติแต่ละสั ต, ตว์แตละบุคคลนั้นจึงไม่เหมือนกันแต่ก็เกิดเหมือนกันตัว เ, เป็นสัตว์สัตว์ประเภทใดก็ได้สัตน้ำสัตว์บกสัตว์ใหญ่สัตเลศเป็นมนุษย์เทวดาพูดผีอะไรก็ได้มีเกิดอยู่เช่นนั้นมีตาอยู่ทำนองนั้น ถ้าเกิดกับตายเป็นคู่กันหากจะมีอายุยืนยาวกว่ากันบ้างก็ไม่พ้นความมาเกิดแล้วต้องตายนี่คือผลที่เป็นวิบากสรุปความแล้วเป็นแต่เรื่องเกิดเรื่องตายของจิตที่เป็นนาคตองเที่ยวเพราะอํานาจแห่งอวิชาปัจจยาพามล้มตัวให้เป็นไปและวิบากกรรมพาให้เป็นไปในสูงสูงต่ําำเหมือนเดิมด้วยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เรานับต้นนับตายที่ไหนได้ทั้งที่เรานี้เป็นนัก สุดนักตาอยู่แล้วเต็มตัวดดวยกันไม่มีใครที่จะมากน้อยต่างกันได้เลยเพราะนับไม่ได้เอามาวัดมาตวงกันได้ยังไงแล้วการท่องเที่ยวเกิดแเก่จ็บใจนี้ก็คือกงจัรหมุนดูภายในภพในชาติหมุนดูมาจากจิตใจจะหาความสุขความปล่อยวางความสะดวกสบายได้ที่ตรงไห น, น เมื่อที่เดได้หมุนตัวอยู่เช่นนั้นภายในใจเอาอะไรมาเป็นสุขสัตว์โลกของเราทั้งๆที่ต่างคนก็ต่างตัวก็มุ่งต่อความสุขความเจริญความสบายแล้วมีใครสมหวังบ้างเราเห็นมาเกิดมาทุกค น, ท, กคนทุกรายเต็มไปด้วยความมุ่งความหวังความสุขความเจริญด้วยกันทั้งนั้นแต่ความหวังไม่ปรากฏ ตามใจที่หวังนั่นเลยแต่เพราะกิเลสจะทําให้คนสมหวังได้สมหวังได้อย่างไงนอกจากมันทําลายความความหวังของคนเท่านั้นแต่ความหวังก็เป็นเรื่องของกิเลสความไม่สมหวังก็คือเรื่องของกิเลสมันสลับซับซ้อนอยู่ภายในนั่นเองหากแต่เราไม่รู้ไม่เข้าใจถ้าภูมิของเรากับภูมิของกิเลสนั้นต่างกันมากราวฟ้ากับดิน คนหนึ่ ง, งโง่ชมัดสิ่งหนึ่งนั่นฉลาดแหลมคมชมัดเข้ากันได้อย่างไรจริตใจของเราเมื่อถูกกิเลสตัวฉลาดแหลมคมรอบแล้วโง่ชมัดสสยให้ไปเกิดที่ไหนไปได้ทั้งนั้นตายได้ทั้งนั้นทุกข์ได้ทั้งนั้นแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุที่มาจากไหนจึงเหมือนกับว่าหลับตาไป หลับตาไปเกิดหลับตาไปอยู่หลับตาทนทุกทรมานเสวยกรรมต่างๆอยู่เรื่อยมาจกนกระทั่งถึงบัดนี้แม้มีในตาอยู่เช่นเดียวนี้ก็ก็ตามเพราะเป็นลักษณะหลับตาเพราะอานาจของกิเลสปิดไว้นั่นแหละแล้วมีใครเป็นคนฉล า, าดในโลกนี้มีใครเป็นคนสมหวังในโลกนี้มีใครเป็นคนครองความสุขในโลกนี้มีใครเป็นคนมีอำนาจวาสนาเพราะอํานาจของกิเลสนีม้มากในหัวใจ ในโลกนี้มีมีใครมองไม่เห็นผู้ตามความจริงไม่มีเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่ตัดรอนโดยถัดเดียวเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะส่งเสริมสัตว์โลกข้างหลังให้มีความสุขความสบายเป็นลําดับลำนาจงกระทั่งถึงพ้นจากทุกโดศการทั้งปวงเพราะอำนาจของกิเลสนั้ น, น, นไม่มีเลยนอกจากทําเท่านั้นเพราะฉะนั้นทำกับกิเลสจริงเป็นคู่แข่งแย่งชิง นา ง, งามจั ก, กรวาลคือจิตดวงนี้เรื่อยมาส่วนมากอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยยอมแพ้ทิ่เล็กอย่างราาเพราะไม่รู้ว่ากี่เล็กคืออะไรไมีแต่ยอมแพ้โดยทายเดียวถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาคน้นแน่แปรธาตุภายในธาตุในขันธ์ในโลกกรากด้วยพระปรีชาญาณความสามารถของพรองค์แล้วทำของจีนที่เป็นคู่แข่งของทิ่เล็ก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 แล้วมีอะไรกับท่านท่านจึงได้ประทานเทาวาธิไว้ให้เราในปุพุตปฏิบัติพอเป็นผู้เป็นคนรู้บุญรู้บาปรู้คุณรู้โทษรู้นรกสวรรค์ทพมโลกและนิพพานด้วยความพินิจพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่เราจรึงเห็นได้แบบพุธิราชเป็นนักเสียสละไม่มีใครเสมอสละประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนมากก็คือศาสตาองค์เอกนี่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 พระราชอ า, าจักของพระองค์นั้นจึงเหมือนกับน้ําหยดเดียวการที่พระองค์ทำประโยชน์ให้เจ้าโลกสงสารด้วยการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนน้อยคือน้ําหยดเดียวนี้เพื่อประโยชน์ส่วนมากคือน้ำในมหาเท่าประโยชน์ในมากเหมือนมหามหาสมุทระเล น, นั้นก็คือทรงเป็นศารสดาทังสอนโลกทั้งสามการมาโรครูปโรก อ, อ, อรูปโลกอรูปโลกนี่เละกว้างข น, นานนาน ครอบโลกธาตุในโลกทั้งสามนี้แม่น้ำมหาสมุทรก็อยู่ในท่านภูมิของมนุษย์นี้แผ่นดินนี้นั้นยังครอบไปอีกมากมายเท ว, ว ด, ดาสวรรค์ชั้นผมมีกี่ชั้นมากขนาดไหนได้น้ำเหนือน้ำเป็นภูมิทั้งนั้นพระองค์ครอบไม่หมดด้วยความเฉลียวฉลาดอัปธรรมสั่งสอนเ ท, ว, ทวดาเปรตผี มนุษย์ไม่สามารถพ่อตาบอดนอกจากนั้นยังเห่าอีกว่าหาอุตริซึ่งเกินความเชื่อของมนุษย์ในสมัยปัจจุบันเกินความเชื่อของมนุษย์ในสมัยปัจจุบันก็จริงแต่ความรู้ความเห็นของพระเจ้านั้นเหนือโลกสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นโลกตาบอดเป็นในไห น, ไ, หนไม่ใช่นั้นไม่เป็นศาสดามของโลกไดนะ้เราตาบอดเราจะลบล้างสิ่งที่มีสิ่งที่พูดคนตาดีเห็นได้อย่างไง เราหูนวกเราจะปฏิเสธเสียงสิ่งที่คนหูดีฟังได้ฟังรู้เรื่องกันได้อย่างไรนี่ยกตัวอย่างเพียงสองเท่านั้นก็ได้ความแล้วคนตาเดียวคนตาบอดเห็นความจริงต่างกันอย่างไรบ้างรู้ความจริงต่างกันอย่างไรบ้างนี่แหละเรื่องของศาสดาได้นำธรรมมาสอนพวกเราไม่ใช่นั้นเราไม่ทราบว่าศาสนาเป็นยางไง แตเมื่ตั้งแตให้กิเลสเหยียบย่าทําลายเหมือนผักเหมือนกาเหมือนเนื้อบนเขียงสับย่าแหลกละเอียดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตัวว่าถูกเมฆเขาสับเขาย่าถูเขาเอาไปรับทานทายไปที่ไหนก็ไม่รู้เป็นมูดเป็นพูดไปก็ยังไม่รู้ถ้ามีแต่หมอบให้แต่กิเลสเป็นผู้สับผู้ย่าแค่ถ่ายเดียวนี่ยังมีทำเข้าแส มีธรรมเข้าเป็นเครื่องคัดค้านทานทรรมมีธรรมเข้าเป็นเครื่องเป็นคู่แข่งว่าสิ่งนี้กิเรศเห็นว่าถูกทำคือความจริงนั้นไม่ถูกน่ะค้านกันตรงนั้นเมื่อมีสองอย่างเข้าเป็นการเขาเป็นเป็นคู่แข่งกันได้ดีกับชั่วก็ปรากฏขึ้นมาได้จริงสุขกับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาได้เป็นคู่แข่งกันได้โดยลําดับลํำดาเพราะมีศาสนธรรมอันเป็นของจริงเป็นคู่แข่งกับ เรื่องของกิเลสตัณหาอจฉริะเรื่องของส ม, มุิอันเป็นของล่อมีศาสนาธรรมที่รากฏเวลานี้เราทั้งหาได้กราบไหว้บูชาถึงกับต้องฉลาดเนื้อฉลาดตัวามาบวชนี้เพราะผู้ใดเป็นต้นเหตุถ้าไม่ใช่เป็นพระพูทธต่เช่ะทาธาความเชื่อต่อบุญต่อบาบ แล้วได้ความเชื่อนี้มาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้ ว, วด้วยสวรรคาแธรรมตรัสไม่ชอบอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นกิเลสทุกประเภทพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นไยัยพวกเราที่เชื่อตามพระองค์ก็ต้องถือว่าเป็นไทยและต้องต่อสู้กันให้เจนเมตเจนหน่วยย่ามาทอถออ่อนเอะทอแท้เหลีวไหลซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดจะหาทางออกไม่ได้ต้องเอาให้กิงให้ชังนั่งปฏิบัติ ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่มรรคผลนิพพานอยู่ตลอดมาไม่เคยล้าสมัยสมัยคือเรื่องของโลกธรรมนี่คือธรรมที่ทันสมัยล้ําสมัยไม่ทันสมัยไม่ล้ําสมัยปราทพิเรยไม่ได้เราจะจะเห็นว่าธรรมนี้ล้าสมัยได้ที่ไหนใครเป็นคนว่าศาสนาคือศาสนาล้าสมัยคนนั้นคือคนหมดคุณค่าไม่มีราคาเลยเหลือแต่ล่างกระดูกกับความรู้สึกอยู่เท่านั้นถ้าจะเทียบกับคนไข้ตรงเหมือนกับ คนไข้ที่ไม่สนใจกับหยุดกับยากับหมอลเลยนอนคอยลมหายใจด้วยออกซิเจนอยู่ที่ห้องไอ u ยูเท่านั้นทานแต่นั้นก็ลงไฟถ้าเปิดเครื่องปกปิดออกก็มะเงวันตามหึงๆเท่านั้นคนเช่นนั้นหรือเป็นคนดีพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนล้าสมัยสาวกอรหรันหันไม่ใช่คนล้าสมัย ทรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรูุ้และสาวกทั้งหลายบรรลุมานั้นเป็นของประเสริฐจะมาเป็นเรื่องล้าสมัยได้อย่างไรถ้าไม่ใช่คนตันคนนั้นเหลือแต่ซากผีดิบอยู่พาในตัวเท่านั้นลมหายใจปลอดๆจออุดเพียงเท่านั้นไม่มีคุณค่าอนใดเลยนี่อันนี้เพราะอะไรมันถึงว่าศาสนาล้าสมัยศาสนาคือก็เพราะกิเลสท้ายคือกิเลสท้ายล้าสมัยกิเลสปิดบังไม่เห็นความจริง เพราะฉ้จึงเสกสรรในสิ่งที่จะทํานายตัวเองขึ้นมาเหยียบย่ำทำาตัวเองด้วยมาสิ่งที่จะเป็นคุณค่าส่งเสริมตนให้เป็นคนดีนั่นมันยึดไม่ได้มันถือไม่ได้มันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมายัยไปเสียคนประเภทนั้นก็เหมือนกับอคนที่อยู่ในห้องอาชีวะเห็นฐานเห็นปืนนั่นล่ะนั่นทันสมัยชนั้นเอื่นเห็นหมอเห็นยาเป็นล้าสมัยไปหมดอคนนั่นคือคนหมด คุณค่าหม ด, หมดทาุนทางที่จะแก้ไขยอยู่ยาแล้วมีทางเดียวที่จะลงสู่ตูน ส, ส, สู่ฝายมีเท่านั้นภ <c oughs> ู้วิเศษมาจากอะไรไม่มาจากธรรมเอาตรงนี้เราเชื่อใครทุกวันนี้เชื่อเรายังเชื่อก็เชื่อไม่ได้เชื่อใครใครก็เป็นคนมีกิเลสตัญหาเช่ไหมเป็นคนที่มืดบอดถูกกิเลสคร่อบงาหัวใจอยู่แต่ไหนเจ้าความถูกต้องในงามมา พูดให้เราฟังอย่างถูกต้องแม่นยําได้ดังดังที่สวดคาถาธรรมจัดไว้แล้วได้อย่างไรเมื่อเราเป็นคนโง่เราต้องเชื่อคนฉลาดคือศาสตาอุอถกที่ทรงค้นพวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงได้รู้ได้เห็นได้นํามาสั่งสอนไม่ใช่เป็นศาสตาอุปนเดัเมื่อได้รู้ได้เห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาสั่งสอนจะเป็นของตอมได้อย่างไร ผู้ที่ว่าศาสนาเพื่อศาสนาราชสมัยมันได้ค้นคว้าอะไรบ้างพอที่จะนํามาพิสูจมาเป็นข้อยืนยันให้เห็นชัดว่าศาสนาราชสมัยเราคนเดียวนี้เท่านั้นเป็นคนที่ทนสมัยได้คน้นคว้าเรื่องของตนได้มากน้อยเพียงไรถึงต้องกล้า ม, มาพูดเช่นนั้นถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตามาขายความเรียรสารมของตัวนี้ให้มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทั้งหลายได้ขยะขยงเรื่องหัวเราะยาะ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 แก้ได้ทั้งภายนอกแก้ได้ทั้งภายในจึงว่าชื่อว่าเป็นผู้เฉลียวฉลาดแหลมคมเอาให้ทันเวลานี้จะจิตรองของเรามันทันสมัยไหนหรือมันล้าสมัยมันล้าสมัยนั่นเองมันถึงหาความสงบเยือกเยเก็นไม่ได้อะไรพายล้าสมัยกิเลสมันลากไปให้ล้าสมัยทันไม่ ท, ท, ไม ท, ทําทําไม่ทันเพราะไม่ผิดขึ้นมาให้ทานกันไม่นํามาไปปฏิบททัติกิเลส จ, จะหลุดรอยก็ได้ยังไงต้องเอาให้จริงให้จริหน้าปฏิบัติ อย่าท้อถอยแน่อย่าเคยชินกับความเกิดจเจ็บตาอย่าเคยชินกับความเป็นมาอันเป็นเรื่องของจิตใจตั้งมั่นให้มีความสนิทติดใจครับอัดกัลับทำกกทุกข์ก็ยอมทุกข์ตายก็ยอมตายเป็นก็ยอมเป็นครับสาสดาเถิดเราจะเห็นเห็นตัวของเราใจของเรามีคุณค่าขึ้นมาเป็นําดับเป็นรดัโดยไม่ต้องสงสัยอ๋อคาว่ามีแดนหลุดพ้นหลุดพ้นที่ไหนพระพุทธเจ้าท่านหลุดพ้นที่ไหนสาวกท่านหลุดพ้นที่ไหน สถานที่นั้นเป็นสถานที่การนั้นเป็นการนั้นไม่ใช่เป็นที่ที่หลุดพ้นอย่างแท้จริงนอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นใจดรงเดียวนี้เป็นผู้ถูกจองจําด้วยกิเลสนาเสวัฏเพ็ต่างๆจนมืดดําไปหมดหามองหาดวงจิตแท้ๆล้วนๆทแท้ๆไม่มีเลยยึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนหมุนเตี้ยเข้าไปตรงนั้นในจิตมีความสว่างสวไหลขึ้นมานับแต่ขั้นเริ่ม แทส่งความสงบพอเป็นต้นทุนแล้วอภิญนาณาทางด้านปัญญาที่คชายดูสร่างกายนี้เป็นไงกิเลสมันจอมปลอมมันเศษสรรปัญญาวิ่งทั่วรอบรอบหมดในร่างกายทั้งภายนอกภายในว่าเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของสวยของงามเป็นของกิรังถาววัตเป็นดาวเป็นของเหล่านี่คือเรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมมันเศษสรรปั้นแต่งได้แล้วโกหกมนุษย์ ที่โง่ๆอย่างพวกเรานี้ได้อย่างง่ายดายที่สุดถ้าไม่เอาธรรมของจริงเข้าไปสอดส่องดูแล้วจะไม่เห็นความจำปลอมของกิเลสที่มันมาปักเสียบเอาไว้นี่หมดทั้งล่างกายเอาสิปัญญาอย่างลงไปสิหนังมันบางๆเท่านั้นทําไมมันดูไม่ทะลุมันเต็มไปด้ยวยของปฏิกูลโสโครกทั้งภายนอกและภายนอกก็ที่เงือที่ไข่เต็มไปหมด ว่าภายในเป็นของวัตถุคุสุขโภคไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทำไมจึงอืหน้าด้านเมาเป็นผ้ามาเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจถ้าไม่ใช่พิเรศพาให้หน้าด้านเราจะว่ามันพิเศษได้ยังไงก็เาะเศษสันของตอมมาเป็นของจริงของเน่าของเหม็นว่าเป็นของสวยของงามของหอมของน่าชมน่าดมนั้นเราโง่ไหมพวกเราพิจานาที่ปัญญามีเอาให้เห็นความจริงดิเมื่อได้เห็นความจริง การตัดการส่วนของร่างกายทั้งภายในภายนอกแล้วอุปทานท่ามันหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งโูกก็เธอจะไม่พ้นจากการถอนตัวออกมาเพราะอํานาจของปัญญารู้แจ้งแทงทะลุนี้ไปได้เลยลองให้จริงแล้ว ก, ก็ดีกว่าขี้คลายดูมันทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่ง น, น, น, นอนงานนี้ไม่ใช่เป็นงานที่จะต้องทำเพียงคู่เดียวยามเดียวแล้วหยุดตายทําจะมันรู้มันเห็นไม่รู้มัเห็นเอาจนรู้จนเห็น พ้นไปไม่ได้พ้นความเปลี่ยนไปไม่ได้พ้นสติปัญญาไปไม่ได้แต่ผูที่เจ้าก็รู้ด้วยสติปัญญาสทัทธาความเปลี่ยสนสาวองค์หลายก็เหมือนกันเราจะรู้ด้วยอะไรทาไมจะรู้ด้วย ส, สติปัญญาสทัทธาความเปลี่ยนรู้ด้วยความเกลียดชังรู้กันไปได้หมดแล้วแหละถ้าหากว่าทุกข์นี้หาวัน่านพ้นไปไม่ได้นอกจากความเปลี่ยนเอาให้เด็ดนักปฏิบัติหาวัฒนธทําถ้าการไม่ทุกสิ่งทุกอย่างเงื่นดยำไปหมดนั่นเอง สงสัยเลยขอสงสัยก็คือว่ากำลังของเรามีเพียงแค่ใดที่จะทําให้เป็นไปในอัตในธรรมของพระพุทธเจ้าให้เป็นเม็ด เ, เต็มหน่วยมากน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับเราเอาให้จริงมากผลนิพพานครั้งนั้นกับครั้งนี้จะไม่มีอะไรแตกกันแล้วเกิดขึ้นที่จิตรากฏขึ้นที่จิตเพราะมิเระเครื่องหุ้มห่อปิดบังอยู่ที่จิตเมื่อจิตเละเปิดตัวเอาหมดเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาทางความเป็นแล้วความสมาา่าจแข็งแจ่งความหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ต้องถามที่ไหนเด็ดถามทำไม มันก็รู้ยู่อยู่ที่นี่แจ้งอยู่ที่นี่การต่อสู้ที่เหลนือมันไม่ลืมนะหัวใจเราเพราะมันเอามเป็นจริงๆไม่ลืมมันลืมได้ยังไงก็ลงออกขนาดชีวิตจิตใจเขาแรกกันเน้่มันจะลืมได้เันถึงได้กล้าพูดว่างานอะไรก็ตามในโลกที่เราได้เคยผ่านมาแล้วเราไม่ยังไม่เห็นงานใดที่จะหนักหนา ขนาดตัวสณะทีอยู่ใจเหมือนงานจิจตภาวนานี่เรายังไม่เคยเห็นในตัวองหล่อยเลยไปนั่นเลยอันนี้มันหนสระเป็นสระตายเหมือนกับเป็นมันเป็นเหมือนเป็นพื้นมาเลยถึงเาละที่จะเข้าได้เข้าเข็มยิ่งเอาว่างั้นนี่อันนี้เวลานี้มอกนะเวลามันมันจะไปก็ไปเลยเวลามันเป็นพื้นที่มันอยู่สระมันเป็นพื้นพื้นมาตรงนี้ถึงว่าถึงตอนที่มันจะทุ่มมันก็ทุ่มขอนมัน นี่เราเห็นโทษของจิตที่มันไม่สงบเนี่ยแ ม, มันเป็นทุกข์มากนะนักบวชเลยจิตถ้าความสงบไมาได้แหมมันมันกวนจริงๆนะกวนมากทีเดียวเพอไม่สงบไปแล้วก็รู้สึกว่าค่อยเย็นสบายไม่ยุ่งไม่เยอะไม่วุ่นอะไรอะไรอยู่กับความสงบมันมีอาหารดื่มสมถะทำดื่มสมาถะ ท, ทําคือความสงบ เย็นสมาก็ยิ่งจิตมีพื้นฐานหนึ่งสมาธิเข้าไปแล้วอแอบอะไรก็ยิ่งสมาสมาจนขี้เกียจนี่ที่เกียจอะไรขี้ขี้เกียจพิจารณาทางด้านปัญญ า, ลาเลยสุดท้ายก็เลยไปเหมาออกสมาธิไม่ว่าจะเป็นนิพพานหรือเจอะนี่ถึงมันมันไม่เป็นตามมันออกปัญญามันถึงทุกข์มากจริงแต่ทุกข์มันทุกข์แบบ เรารับทานอาหารเผ็ดน่มันเผ็ดมันก็มีรสของมันนี่เนี่ยเค็มมันก็มีรสของมันพอให้สู้กันพอใจแันงแต่เผ็ดมันก็พอใจเนืเพราะมันมีรสอยู่ในความเผ็ดอันนี้ความทุกข์ในความเพียรขั้นนี้มันก็มีรสชาติอยู่ในสมาธิเราพ่อแม่กูจารว่ามื่อถึงขั้นที่ควรจะยก ไปผลประโยชน์ใ้ทางด้านปัญญาก็ยกไปให้สมาธินุ่มเหมือนนความสุขในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันตันหลาถูกแต่เมื่อมันยังไม่ก้าวมันอยู่ในนี้มันก็เป็นของดีเพราะมันควรจะก้าวแล้วก็ต้องปล่อยนี่ถึงกั้นปัญญามันถึงหมอนมด้ี่มันเห็นรู้ชัดหนึ่งมัน ตาจีเต็ตตัวไหนขาดไปยังไงไงมันรู้มันรู้มันรู้ขาดมากเป็นตอนเลยเอยเลจนกระทังในวงขันมันขาดไปหมดรูปขันความมั่นถือ ม, มั่นในรูปมันก็ขาดให้เห็นจะชัดภ า, ายในใจของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสุขทุกข์เฉยในส่วนร่างกายมันขาดไปกับรู้สัญญายับกับรู้สังขาร มันก็รู้วิญญาณมันก็รู้มีแต่อาการอาการเนี่ยมันขาดทั้งมันขาดอยู่มันก็รู้นะแต่ก่อนมันเป็นอันเดียวกันหมดทั้งรูปทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมแล้วเป็นเราเป็นเราเป็นของเราหมดเวลาปัญญามันคุ้ยเขี่ยขุดค้นกันกรองเข้าไปกรองเข้าไปกรองเข้าไปมันมันก็สลับออกสลับออกสลับออกส่วนรูปเป็นของหยาบมันสลับก่อน นามาทำเป็นส่วนละเอียดก็เป็นทีหลังจนกระทั่งมันวนเข้าไปวนเข้าไปแคบเข้าไปแคบเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตมันก็หมดอะไรมันมีอะไ ร, ม, ะไรมันก็หมดในภายในขันพิจารณาอะไรนี่ก็รู้แล้วจะพิจารณาอะไรอีกเนี่ยเหมือนเรารับทานค่าวนี้ประเภทนี้อิ่มแล้วจะไปเอามันอะไรอีกมไม่สนใจอ่ามันสนใจอะไรนสนใจหวานเอาใส่หวานเข้าไป มันชนใจร้ายกับหมายถึงจิดความรู้เวทนาตัญญาทั้งข่าวทั้งยานมันเข้าใจนั้นมันก็ปล่อยนเหลือยแต่วามรู้ล้วนล้วนล้วนล้วนล้นอยนันเอมันก็แบกความรู้อยู่นั้นเสียเมื่อมันยังไปไม่ได้ผ่านไม่ได้ยังแบกอย่างนั้นอย่างไม่แบกรู้เวธนาตาทั้งย่าวทั้งยานมันก็แบกความรู้ความรู้ที่เต็มไปด้วยยาพิษคืออวิชชาปัญญาทั้งอาาวความรู้เป็นอันเดียวกัน เราตัดสะพานที่มันจะออกอวิชามันมันเดินทางตาหูจมูกที่นิ้วกายมันเดินทางรูปเวทนาสัญญาลักษณ์อย่างๆมันก็ถูกตัดเข้าไปตัดเข้าไปนี่ก็ยังเหลืออยู่เกาะเดียวเป็นเกะาะนในั้น้ท่ามกลางแห่งขันมันก็ติดอยู่นั่นเองแต่นันก็น่าติดนะีรงหลั อ, อ, อวิชานี้ ที่ไม่กล้าเขียนนั่นคอว่าที่เราคาดเอาไว้นั่นอ่ ะ, ะวิชานีเหมือนเสือโครง่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีนึ่งเราวาดภาพมันไว้ว่าเป็นค่าสศดอย่างใหญ่หลวงเวลาเข้าไปเจอวิชาจริงไม่รู้จรินเทียบเหมือนกำนางบางเงานางงามจั ก, กรวาล น, นั่นมันกล่อมปติปัญญาประเภทนั้นได้แต่ว่าสนิทมันก็ยังไม่สนิทเพราะมันพิจารณางมันอยู่นี่ มันรักมันสงวนนันกับมันเดีวมันหลงมันรักมันสงวนอย่างนั้นมันไม่พ้นที่มันจะสังเกตที่พิจารณาอาการละเอียดนั้นมันก็ยังต้องพิจารณาออกมาละเอียดนั้นก็เป็นลายลักษณ์อยู่นี่มันเป็นสมมติอย่างนี้มันจะไม่แสดงสมมติขึ้นมาได้อย่างไรเป็นสมมติว่ามันผ่องใสสงาผ่าเยมันจะมีเอ็มีเฉาเฉานิดให้เห็นจนได้คำว่าสุขนี่มันจะมีทุกซึ่งเป็นของละเอียดแทรกขึ้นมาจนได้ ให้จับจนได้ให้จับได้ก็สติปัญญามันกับพิจาของมันทั้งทั้งนี้มันนักษามันก็ยังสอดส่อทังเก่งดีเพราะฉั้นตนี้ที่พิจนาที่น่าอายโลกธาตุมันเข้าใจหมดแล้วมันต่อยมันมันก็เหลืออันเดียวเท่นั้นทั้งนักษาทั้งพิจนาเพราะสติปัญญานี้มันไม่นอนใจมันไม่อยู่มันปกติ น้ำหมุนน้ำมันอย่างละเอียดเหมือน น, น้ำซับน้ําซึมนั่นทั้งแรงทั้งฝนตลอดอที่ยาบทเหมือนตหลับอืนทั้งมาแสดงอาการนี่มันหลายครั้งน้มุนเขมันก็จับได้ที่มันก็เจาะเข้าไปทั้งนั้นที่สติปัญญาที่พร้อมตัวอยู่แล้วนั่นก็เจาะเข้าไปนั้นก็พังเลยนั่นพังทลายไปอวิชาพังไปนางบางเงา ทางไปตอนนั้นว่าที่นี่จะเทียบกันยังไงฮะอธิวาอัศจรรย์น่ะที่ว่านางบางเงาเป็นของจรรย์ว่านางงามจักรวาลเป็นของที่น่ารักใคร่ใจเป็นสิ่งที่โลกตาดสนามากแต่ทําไม่ได้ตัดสนามาที่นี่เออเมื่อถูกทําลายไปแล้วไอ้สิ่งที่ว่านี้มันก็เป็นเหมือนกับความขี้ผายครอบเพชรทั้งดวงไว้นั่นแหละมันต่างกันที่ มื่อเวลามันกระจางไปแล้วที่มันโ้โอ้โหขนาดนี้เลยนะมิชาโอ้โหโอ้โหเืยว่าเป็นเสือโคร่งเสือดาวเป็นยักษ์เป็นผีไปได้เมื่อเวลาเข้ามาเจอตัวจรินี้สอดหัวให้มันเคี้ยวเอกซะหลยยังไม่รู้ตัวเลยนี่นะเหมือนอย่างอะไรนิทานที่ชีกระดนชัยมาเทียบแบบนี้ได้ไหมมิทานชีกระดนชัยว่า คนโง่กับคนฉลาดนะคุณง่ายๆเนี่ยเออเขา่ะสีกระชายนี่มันฉลาดจริงแนละ้วโอ้โหจริงสีกระชายมันฉลาดจริงเนะี่ยขนาดมากเจ้าเออทางนั้นมันฉลาดนะคุณเอาอตดใส่กระบอกนี่แล้วคุณจะปิดเนี่ยแล้วก็ไปให้มันดมว่ะสิเอเราไปลองดูสิเราไปตดใส่กระบอกแล้วก็ปิดให้ดีแล้วก็ไปมาอะไรนี่คนโง่มันก็ต้องแบบความโง่ไปพอไปถึงสีกระโชายมันมาอะไร มาศิกรณชัยนะเขาว่าศิกรณชัยฉลาดมากนั่งนี่แล้วมาหาอะไรมาศิกรณชัยเพื่ออะไรอยู่เอามาตัวเอาตัวห้มันดมสิว่าเนี่ยขายแล้วเอาตัวห้มันดมมันสมมันไปบอกกันแล้วนี่ถ้ามันไม่ละเหยมดเราหรือเปิดดมดูสิพอเปิดดูดมมันจะนั่งอยู่หน่งถึงนั่นแหละแบหมดได้จาของดมเองนะนเห็นไหมคนฉลาดไม่ดมคนโง่หน้ะดมนี่เหมือน ก, การเรืปัญญากับว่ใใาเพียงกายเวลาเข้าไปถึงอวิชชาแวอวิชชาถึงเหมือนศิกรณชัย จะติดมันทามันหลอกมันเสียรักษามันสั้นด้วยซ้ำนั่นแหละเหมือนดนตดมันแล้ว <c oughs> ที่นี่ทำปัญญาทันสมัยมัน่ะเอาตรงนั้นดินไม่มีอะไรที่จะทันสมัยในโลกธาตุนี้่ <c oughs> สามแดนโลกธาตุนี่มีอะไรจะทันสมัยยิ่งกว่าวิชาถึงครอบโลกธาตุได้ครอบหัวใจสัตวลูได้แต่พอถึงปัญญามหาเิรษฐมหาปัญญาเข้าถึงแล้วใส่ผึ่งงไป ไม่มีอะไรที่จะทันสมัยยิ่งกว่าสติกับปัญญายิ่งกว่าธรรมถ้านี้ไม่ทันสมัยไม่ล้าสมัยที่เหลระวิชาจะพังไปไม่ได้นานเอากั็นอะทีรสุดท้ายกอทะล้ําสมัยว่างั้นเล้ทํามาล้าสมัยกว่าเหนือโลกเลยสที่ทันสมัยก็ทันเข้าไปทางประกเหนือะลงล้าสมัยแล้วก็ทะลักสมายแสนสบายอยู่ไหนอยู่ที่ เงินทำไมทำไมจะไม่เห็นรว่าตายของกิเลสหรมันหลอกต้มถึงมามากน้อยเปียนอะไร ล, ละเอียดละ อ, อแค่ไหนเป็นมาไงไ ง, ไงทำไมจะไม่รู้ลองมันเมื่อมันล้าสมายัยปัญญาสติปัญญาล้าสมายัยทันสมยัยคือว่าทันมันแล้วนะทันมันแล้วทําลายมันแล้วออออืืเ้นน่ยะี